พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสาพระสูตรที่สองอัฏฐกะนาคระสูตรสูตรว่าด้วยขรหืห บ, บดีชาวเมืองอัฏฐกะพระอานนท์อยู่ณเวลุวะคามใกล้กรุงเวสาลีสมัยนั้นขรหืห บ, บดีชื่อทัศมะชาวเมืองอัฏฐกะไปทุระที่กรุงปาตลีบุตรและได้ไปยังกุกกุตาราม ถามหาพระอานนท์กับภิกษุรูปหนึ่งทราบว่าท่านอยู่ในเวรุวัาคขามใกล้กรุงเวสาลีเมื่อเสร็จธุระในกรุงปาตลีบุตรแล้วจึงเดินทางไปหาพระอานนท์ถามถึงธรรมะข้อหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ซึ่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งใจไปในธรรมะนั้นแล้วจิตที่ไม่หลุดพ้นก็จะหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิน้น ก็จะถึงความสิ้นไปผู้นั้นย่อมบรรลุธรรมอันยอดเยี่ยมอันปลอดโรงจากกิเลสที่ผูกมัดพระอนุนตอบว่ามีธรรมะเช่นนั้นและอธิบายว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศละธรรมได้ฌานที่หนึ่งถึงสี่ได้เจโตวิมุตติอันประกอบด้วยพรมวิหารสี่ได้อรูปฌาน ถึงอากินจัญญายตนะคืออรูปประชานที่สามตั้งอยู่ในธรรมะที่ได้นั้นนั้นแล้วก็อาจสิ้นอาสวะได้แต่ถ้าไม่สิ้นก็จะละสังโยชน้าได้เป็นโอปปปาติกะคือเกิดขึ้นใหญ่โตขึ้นทันทีปริณิพานในชั้นสุทาวาดนั้นซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีไม่กลับมาจากโลกนั้น ทสมัชะหั บ, บดีชื่นชมพาษิทธ์ของพระเทระกล่าวว่าตนสแสวงหาประตูอมตะประตูเดียวแต่ได้พบถึงส1บอดประตูเปรียบเหมือนคนสแสวงหาปากขุมทรัพย์แห่งเดียวแต่ได้พบปากขุมทรัพย์ถึงส1บอดแห่งในที่นี้คือรูปฌานสี่ฌานประกอบด้วยพรหมวิหารสี่และอารูปฌานสามรวมเป็นส1บเอ็ด เรียบเหมือนอาคารมีสิอประตูเมื่อไฟไหม้บุคคลก็อาจทําให้ตนปลอดภัยได้โดยอาศัยประตูใดประตูหนึ่งตนก็อาจทําตนให้ปลอดภัยได้โดยอาศัยประตูอมตะประตูใดประตูหนึ่งชั้นนั้นก็พวกเดรธีเหล่าอื่นยังสแสวงหาทรัพย์บูชาอาจารย์ได้ชไนตนจะบูชาพระอา น, นุ์บ้างไม่ได้จึงนิมนต์ภิกษุชาวกรุงปาตาลีบุตร และชาวเวสาลีประชุมกันถวายอาหารถวายผ้าคู่แก่ภิกษุทุกรูปถวายตรายจีวรแก่พระอานนท์และให้สร้างวิหารห้าร้อยแห่งถวายพระอานนท์สำหรับคำว่าห้าร้อยนี้ในบาลีเป็นสำนวนไม่จำเป็นต้องหมายว่าเป็นจริงตามตัวเลขหมายความว่าหลายแห่งก็ได้สันนิฐานว่า พระสูตรนี้แสดงเหตุการณ์ภายหลังพุทธปรินิพานเมื่อกรุงปาตลีบุตรเป็นราชธานีมคตแทนราชครึกแล้ว